พัฒนาคือความเชื่อความเชื่อในพระพุทธศาสนานี้เป็นความเชื่ออย่างไรความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อแบบปัญญาคือเป็นความเชื่อที่ต้องมีการพิสูจน์ไม่ได้เชื่อแบบงมงาย เชื่อแบบกระตายตื่นตุมอย่างนั้นเรียกว่าเป็นความเชื่อแบบไม่มีปัญญาท่านคงเคยได้ยินนิทานเรื่องกระตายตื่นตุมกระตายนอนอยูอ่ใต้โคนต้นตาลแล้วพอดีมีลมพัดมาแรงทําให้ลูกตาลหล่นลงมากระตายที่นอนหลับ สะดุ้งตกใจตื่นคิดว่าแผ่นดินถลม่มเลยวิ่งหนีอย่างสุดชีวิตสัตว์อื่นพอเห็นกระต่ายวิ่งมาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกระต่ายก็บอกแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวสัตว์อื่นก็เลยลตื่นตะลุกวิ่งตามกันโกลาหลไปจนไปเจอพยาราชสี พยาราชสีเลยถาม่าเกิดอะไรขึ้นก็สัตว์ทั้งหลายก็บอกว่าแผ่นดินถลม่มแผ่นดินทลายพญาราชสีเป็นผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ไม่ตื่นเต้นตกใจไปกับการโจ์ขานต่างๆก็เลย ถามว่าถล่มที่ตรงไหนทลายที่ตรงไหนพวกสัตว์ตอนต้นตัวกระต่ายก็ไม่กล้าจะกลับไปแต่พอเจอพญาราชสีขมเา้าก็ระหว่างจะถูกพลายาลราชสีกัดกับกลับไปสู่ที่เกิดแผ่นดินถลม่มก็เลยจําใจพาพยาราชสีกลับไปที่ เกิดเหตุพอไปถึงที่โคนต้นตาลก็เห็นมีลูกตาลหล่นลงมาพญาราชสีบอกนี่เหรอแผ่นดินถลม่มมันก็เป็นเพียงลูกตาลหลงมาจากต้นเท่านั้นเองอันนี้คือศรัทธาสองแบบศรัทธาแบบกระตายคือศรัทธาแบบงม ง, งาย ใครเขาว่าอะไรก็เชื่ออะไรหรือตัวเองคิดว่าเป็นอะไรก็เชื่ออะไรโดยที่ไม่มีาการพิสูจน์ก่อนว่าเป็นไปอย่างที่คิดหรืออย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าส่วนปยาราชสีนี่เป็นผู้เชื่อด้วยปัญญาก่อนจะเชื่ออะไรก็ต้องไปพิสูจน์หลักฐานก่อน เหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ดีๆเขาไม่ได้เชื่อชาวบ้านบอกว่านายคนนี้ฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้เอก่อนที่เขาจะไปตัดสินว่าชายคนนี้ฆ่าคนนั้นจริงหรือไม่เเขาก็ต้องมีการพิสูจน์หลักฐานต่างๆก่อนถึงจะตัดสินลงไปว่าถูกหรือผิดอย่างไรทางศาสนาพูดก็เหมือนกัน ศรัท ธ, ธาทางาศาสนาพุทธนี้ไม่ได้ให้เชื่อแบบงมงายคือไม่ได้ให้เชื่อโดยที่ไม่ได้มีการพิสูจน์ให้เชื่อเพื่อนามาไปพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนนี้เป็นความจริงหรือไม่เช่นนรกสวรรค์นี้เป็นความจริงหรือไม่ทาบุญแล้วไปสวรรค์ ทำบาปแล้วไปนรกนี่เป็นความจริงหรือไม่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีจริงหรือไมอ่ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่กันหรือเปล่าหรือตายแล้วสูญหรือถ้าไม่กลับมาเกิดไปนิพพานจริงหรือไม่นิพพานมีจริงหรือไม่ ที่ไม่ต้องไปเวียนไหวตายเกิดมีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนนี่เป็นความจริงทางนั้นเพียงแต่พวกเรานี่เป็นเหมือนพวกคนตาบอดที่ยังไม่สามารถมองเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนตาดี พระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีตาทิพย์ที่ใช้การได้พวกเราทุกคนก็มีตาทิพย์ที่แต่ใช้ใช้งานไม่ได้เหมือนมันเสียเหมือนกับถไฟรถยนต์มีไฟรถยนต์แต่มันเสียตอนกลางคืนขับรถไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะมองไม่เห็นทางะ ไฟเสียแต่ถ้าเราไปเอาไฟไปซ่อมทำให้ไฟมันใช้ได้เราก็สามารถขับรถไปในยามค่ำคืนไปในที่มืดต่างๆได้เราก็จะเห็นทางเห็นอะไรที่บนอยู่บนท้องถนนได้พวกเราตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นมีตาทิพย์ แต่เป็นตาทิพย์ที่มืดบอดไม่มีดวงตาเห็นธรรมตาทิพย์ของพระพุทธเจ้าเป็นดวงตาเห็นธรรมธรรมก็คือความจริงที่มีอยู่ในโลกทิพย์นั่นเองเ ร, เรามีแต่ตาเนื้อตาร่างกายเห็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกของร่างกายนี้ เห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นผู้คนเห็นอะไรต่างๆที่อยู่บนโลกนี้แต่ไม่สามารถเห็นสิ่งที่อยู่ในโลกทิพย์ได้เพราะตาทิพย์ของเราเสียตาทิพย์ของเรามืดบอดถูกโมหะอาวิชช า, าปิดบังเอาไว้จึงทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์ ในโลกทิพย์มีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกมีกายทิพย์ชนิดต่างๆมีอินมีพรมมีเทวดามีเปรตมีผีมีนรกเนี่ยนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในโลกทิพย์ที่ผู้ที่มีตาทิพย์ที่มีดวงตาเห็นธรรม สามารถเห็นได้พระพุทธเจ้าทรงปเปิดตาทิพย์ของพระองค์ด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนานี้จะเป็นวิธีที่จะพิสูจน์ว่าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงหรือไม่อย่างไร ถ้าได้ปฏิบัติจิตตภาวนาจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นที่ทรงนำมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โตกได้แต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นกันเราได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เกิดนะทำาบาปไปนรกไปทำบุญไปสวรรค์ ตายแล้วเกิดใหม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วไม่สูญทำดีได้ดีทำเชื่อได้ชั่วนะแต่เป็นเพียงคำพูดที่เรียกว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นพวกเราก็เลยยังไม่เชื่ออย่างร0อยเปอร์ซบางครั้งหนึ่งขอทำบาปหน่อยเพราะว่า ทำบาปแล้วมันได้ถ้าไม่ทำบาปแล้วไม่ได้ออก็เลยไม่กลัวบาปกันเออพราะไม่รู้ว่าผลของบาปเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรออมองไม่เห็นกันออทั้งๆ ท, ท, ที่มีศรัทธาความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปก็ตามแต่พอมีเหตุการณ์มาล่อใจท่หน่อยสอบตกกันหมด พมีอะไรมาล่อให้โกหกหน่อยก็โกหกนะมีอะไรมาล่อให้โกงก็โกงนะมีอะไรมาล่อให้ทําให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ฆ่านะถามมีอะไรมาให้มาล่อใจแล้วใจที่ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมนี่จะยังกล้าทําบาปอยู่ แต่สำหรับผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านเห็นนรกเห็นสวรรค์ที่เกิดจากการทำบุญทำบาปต่อให้ใครเอาอะไรมาล่อท่านก็ไม่ทำบาปสีลัพพระตัปปะมาเนี่ยถูกทำลายไปด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมสีลัทพระตัปปะมาแปลว่ารูปคำศีล่ย รูปคำก็เหมือนกับว่าศีลรักษาศีลแล้วจะปลอดภัยจากการไปเกิดในอบายในนรกหรือไม่ยังรูปคำอยู่ยังไม่มั่นใจ เ, เหมือนกับซื้อหวยนวดนี้ยังไม่รู้จะถูกหรือเปล่าก็ยังนั่งเลสงสัยอยู่แล้วถ้ามีเหตุการณ์มา นอใจให้ไปทำบาปก็ยังจะกล้าทำบาปอยู่ถึงแม้จะได้ยินได้ฟังว่าทำบาปแล้วจะต้องไปเกิดในอบายแต่มันไม่เห็นชัดกับตาของตนเองเป็นเพียงสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นแ พวกเราทุกคนนี่มีสิทธิ์ที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้ด้วยการมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตไม่เคยโกหกใครคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแ4ด0มื่นสี่พันธรรมขันธ์ไม่มีคำสอนคำใดที่เป็นความเท็จแต่เป็นความจริงล้วนๆและมีผู้ที่ได้พิสูจน์กันมารับรองกันคือพระอรหันตสาวกพระอรหันตสาวกทุกทุกรูปทุกทุ ก, ทกองนี้รับรองคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นสวากขาโตภะกวตาธโมเนีเป็นคำสอนที่ถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการสวรรค์มีจริงนรกมีจริงทำบุญแล้วไปสวรรค์มีจริงทำบาปแล้วไปนรกไปอบายมีจริงตายแล้วถ้ายังไม่ได้ชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ยังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ถ้าได้ชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าส่งได้ค้นพบเป็นความจริงสากลที่คนทุกคนในโลกนี้สามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดนับถือศาสนาใดก็ตาม พูดภาษาใดก็ตามไม่เป็นประเด็นสำคัญในการที่จะพิสูจน์ความจริงที่พระเจ้าทรงได้ตัดสรู้ได้ส่งคนพบเพราะเป็นความจริงสากลเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดาอินพรหมเป็นเปรตเป็นนกสกศลกายเป็นสัตว์เดราาัจฉานเป็นความจริงที่สัตว์ต่างๆเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ถ้ามีความสามารถที่จะเปิดตาทิพย์ของตนเองให้สว่างขึ้นมาให้ได้เท่านั้นเองตอนนี้ตาทิพย์ถูกปิดด้วยโมหะอาวิชชา ถ้าสามารถปฏิบัติจิตตภาวนาเพื่อเอาโมหะอวิชชาที่ปิดบังตาทิพย์ออกไปตาทิพย์ก็จะเป็นตาทิพย์ที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานเห็นกายทิพย์ต่างๆเห็นเทวดาเห็นอินพรหมเห็น เบลเห็นนิสุลกายเห็นสัตว์นรกนี่คือเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้รับรู้ได้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาพุทธก็ดีนับถือศาสนาอื่นหรือไม่นับถือศาสนาใดเลยก็ดีไม่เป็นปัญหาอะไรเป็นเรื่องความจริงที่เกี่ยวกับ จิตใจของสัตว์โลกทุกคนทุกสัตว์ tes, ทุกบุกคคลไม่เกี่ยวกับว่าเป็นพุทธหรือเป็นคิดหรือเป็นอะไรเป็นคิดแล้วจะไม่รู้เรื่องของพุทธนี้ไม่ใช่เป็นอิสลามแล้วจะไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องของพุทธไม่ใช่เรื่องของพุทธนี้เกี่ยวกับเรื่องของคนทุกๆคนทุกดวงวิญญาณทุกจิตทุกใจ เมื่อเช้านี้มีคนถามว่าเขามีอาจารย์สอนหนังสือในมหาลัยแต่เป็นชาวต่างชาตินับถือาศาสนาอื่นตายไปแล้วเขาอุทิศบุญให้กับอาจารย์ได้ไหมได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเขานับถือาศาสนาใดถ้าเขามีดวงจิตดวงใจนี่สามารถอุทิศได้ เวลาเขาตายแล้วดวงจิตดวงใจเขาก็จะต้องเป็นกายที่เป็นจิตวิญญาณทั้งหมไม่ว่าจะนับถือศาสนาพุทธหรือคริสต์หรืออิสลามหรือหรือของจุย้ยอะไรของเบ้ไม่ว่าจะอะไรไม่เกี่ยวกับความจริงของจิตใจความจริงของจิตใจของสัตว์โลกนี้อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหมือนกันหมด ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญตายไปแล้วไปสวรรค์ทำบาปแล้วตายไปไปอบายถ้าทำชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ไปนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือความจริงของพระพุทธเจ้าของคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นอากาลิโก เป็นความจริงตลอดทุกยุคทุกสมัยเป็นความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสมัยพระพุทธเจ้าก็มีนรกสวรรค์มีนิพพานสมัยนี้ก็มีนรกสวรรค์มีนิพพานเหมือนกันบางคนมาบอกว่าสมัยนี้ปฏิบัติไปไม่ถึงนิพพานแล้วนิพพานพระพุทธเจ้าเอาไปหมดแล้วระอาหันทั้งหลายเอาไปหมดแล้ว พวกเราปฏิบัติกันยังไงก็ไปถึงนิพพานไม่ได้อันนี้หละเป็นความเชื่อแบบงมงายเป็นความเชื่อที่ไม่มีการพิสูจน์เพราะผู้ผู้ที่พิสูจน์แล้วเขาไม่พูดอย่างนี้กันใบกับไหว้ฟังเทศครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนทั้งหลายพระอาจารย์ที่ได้นิพพานมา ไม่มีองค์ไหนบอกว่านิพพานหมดแล้วนิพพานไม่มีแล้วพระพุทธเจ้าเอาไปแล้วไปกับพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่นั่นไม่ใช่เป็นความจริงนั่นเป็นความงมงายเป็นความเชื่อแบบงมงายความจริงก็คือนิพพานเป็นอากาลิโกกฎแห่งกรรมนี้เป็นอากาลิโก ทำบุญในสมัยใดก็ไปสมัยไปสวรรค์ได้ทุกสมัยทำบาปในสมัยใดก็ไปอาบายได้ทุกสมัยทุกยุคทุกสมัยไม่ได้อยู่ที่การที่เวลาความจริงของพระพุทธเจ้านี่เป็นความจริงที่เรียกว่าอากาลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาไม่มีการ เสื่อมหายไปเหมือนกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้โลกนี้ต่อไปอาจจะสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้อาจจะหายไปหมดมนุษย์ทั้งหลายนี้อาจจะหายไปหมดเพราะโลกมันจะเสื่อมแล้วต่อไปมันอาจจะเป็นเหมือนดวงจันทร์เห็นดวงจันทร์นี้เขาส่งยานอวากาศขึ้นไปค้นคว้าหาสิ่งที่มีชีวิตแล้วไม่มีแม้แต่ต้นไม้ก็ไม่มี โลกของเราที่เราอยู่กันในปัจจุบันนี้ต่อไปมันก็ต้องเสื่อมหมดไปเหมือนกับดวงจันทร์ดวงดาวังคารต่างๆแต่การสูญสลายการหมดสิ้นของสิ่งต่างๆที่อยู่บนในโลกนี้ไม่ได้ไปทําให้นรกสวรรค์หายไปไม่ได้ไปทําให้นิพพานหายไปเพราะว่า สิ่งที่จะไปนะโลกสวรรค์ไปนิพพานนี้ไม่ได้เสื่อมไม่ได้หายไปกับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้สิ่งนั้นก็คืออะไรก็คือดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนดวงจิตดวงวิญญาณของพวกเราไม่ได้หายไปกับร่างกายไม่ได้หายไปกับโลกนี้เวลาร่างกายเราตายไปดวงจิตดวงวิญญาณของเราไม่ได้หายไปดวงจิตดวงวิญญาณของพวกเราก็ ไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาโลกใหม่ถ้าสมมุติว่าโลกนี้ไม่มีมนุษย์อยู่แล้วก็มาเกิดในโลกนี้ไม่ได้อีกแล้วแต่ในจั ก, กรวาลที่เราเห็นเนี่ยในท้องฟ้าที่เราเห็นเนี่ยมีดวงดาวดวงอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยมันต้องมีโลกที่เหมือนกับโลกที่เราอยู่กันนี่านีที่พวกเราจะสามารถไปเกิดใหม่ได้ โดยที่ไม่ต้องใช้จรวดให้ยุ่งยากสมัยนี้เสียเวลาสร้างจรวดกันสร้างยานอวากาศกันแล้วก็จะส่งคนไปโลกนั้นโลกนี้ไปแล้วดีไม่ดีก็ไม่ได้กลับเพราะเป็นเหมือนตีตั๋วใบเดียวไม่มีตีตั๋วไปกลับเพราะว่ามันยังไม่มีความสามารถที่จะส่งยานอวากาศไปไกลๆแล้วให้มันกลับมาได้ ไปแล้วก็ต้องไปเลยแต่ดวงวิญญาณของพวกเรานี้ไปง่ายกว่าไม่ต้องใช้ยานาวกิกาตพอร่างกายนี้ตายไปปับ๊บมันก็ออกจากโลกนี้ไปทันทีแล้วมันก็สามารถที่จะไปสู่โลกใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้จรวดไม่ต้องใช้ยานาวกาตดวงวิญญาณนี้เพียงแต่ส่งกระแส วิญญาณไปเท่านั้นเองเนี่ยดวงวิญญาณของพวกเราตอนนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้นะดวงวิญญาณดวงจิตของพวกเรานี้อยู่ในโลกทิพย์เนี่ยแล้วส่งกระแสของดวงวิญญาณนี้มาเกาะที่ร่างกายนี้มาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายจึงทําให้เราสามารถจึงทําให้ดวงวิญญาณนี้สามารถ รับรู้รูปเสียงกลิก่นรสผดพธพะต่างๆที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายได้แล้วพอรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไปส่งไปที่วิญญาณวิญญาณก็ส่งไปที่จิตตวิญญาณอีกทีตัวจิตตัวรู้อีกทีนึ โดยที่ตัวจิตตัวรู้นี้ไม่ได้มาอยู่ในโลกนี้ไม่ได้มาอยู่กับร่างกายอันนี้เหมือนกับผู้ที่ส่งยานอวากาศไปสำรวจ ด, ดวงดาวต่างๆผู้ที่ส่งไปนี้ไม่ได้ไปกับยานอวากาศอยู่ที่หอควบคุมยานอวากาศแล้วก็สามารถติดต่อกับยานอวากาศโดยใช้กระแสวิทยุยานอวากาศก็ส่ง ภาพที่ไปถ่ายมาส่งเสียงที่ไปอัดมากลับมาทางกระแสวิทยุนี่เองโดยที่ผู้ที่ส่งผู้ควบคุมยานอวากาศนี้ไม่ต้องไปอยู่ในยานอวากาศด้วยเพราะยานอวากาศสมัยนี้เขามีเครื่องควบคุมอัตโนมัติคือเครื่องคอม ที่สามารถสั่งให้มันพอไปถึงดาวังที่ต้องการไปแล้วก็ไปเหมือนกับเป็นรถเนี่ยรถที่สามารถที่จะวิ่งไปไหนมาไหนเป็นหุ่นที่มีกล้องมีเครื่องดักวัดอุณหภูมิวัดบรรยากาศว่ามีอากาศชนิดใดมีออกซิเจนเท่าไหร่มีคาร์บอนเท่าไหร่ สามารถทำเองได้แล้วพอวัดแล้วก็ส่งมาให้ผู้ที่ควบคุมยานวากาุที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยร่างกายของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนยานวากาุส่วนจิตใจหรือจิตวิย ญ, ญาณของพวกเรานี้ก็เป็นเหมือนผู้ควบคุมยานวากาุเนี่ยอยู่คนละโลกกันนะเรากับร่างกายเนี่ยอยู่กันคนละโลก แต่ความรู้สึกมันทำให้เราคิดว่าอยู่ที่เดียวกันเพราะมันรวดเร็วมากพอรูปเห็นปับ๊บเราก็รู้ทันทีไม่เหมือนกับยานอวากาศนี้เห็นรูปแล้วกว่าจะส่งรูปมาให้ผู้ที่ควบคุมยานได้นี้อาจจะต้องรอเวลาบางทีหลายนาทีด้วยกันกว่าสัญญาณจะเดินทางจากยานอวากาศไปถึงผู้ควบคุมยานได้ แต่ผู้ควบคุมยาณก็ไม่รู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ก็อาจจะคิดว่าเป็นเห็นทันทีตามที่ยานอาวกาศเห็นแต่ความจริงแล้วมันมีช่วงเวลาเพราะมันต้องแสงสัญญาณวิทยุมัน ม, มันต้องเดินทางมันผ่านระยะทางมันต้องใช้เวลาจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งแต่กระแสะการรับรู้ของดวงวิญญาณ ที่รับรู้รูปเสียงกลิน่นรสนี่มันแทบจะไม่มีเวลาเลยเพราะมันไม่มีระยะทางให้มันเดินเพราะดวงวิญญาณนี้ไม่มีรูปร่างโลกทิพนี้ไม่มีขนาดกว้างยาวคืบหนาะอย่างไรโลกทิพนี้มีแต่การรับรู้มีแต่การรับรู้เกิดรู้ รู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองมีตา ม, มีความรู้สึกนึกคิดจิตตวิญญาณแต่ของจ่าระดวงนี้มีแต่ความรู้สึกนึกคิดอรู้สึกรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่ตาหูจมูกลิ้นกายส่งมาให้นี่ก็พูดให้ฟังว่าจิตใจกับร่างกายนี้ เป็นคนเราส่วนกันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายเกิดขึ้นกับโลกนี้มันไม่ไปเกิดขึ้นกับจิตวิญญาณของพวกเราจิตวิญญาณดวงวิญญาณของพวกเรานี้ไม่ไม่ถูกกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายโลกนี้จะระเบิดขึ้นมามีสงครามโลกใช้ระเบิดนิวเคลีย ถ้าล้างกันตายไปหมดทั้งโลกเนี่ยจิตเวิญญาณก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนั้นจะไม่สามารถรับรู้เรื่องของโลกนี้ได้แล้วพอร่างกายตายไปก็เหมือนยานอาวกาศมันพังไปพอยานอาวกาศที่ส่งไปสำรวจมันพังไปก็ไม่สามารถส่งข้อมูลกลับมาที่ผู้ควบคุมยานได้แต่จิตเวิญญาณก็ยังอยู่ต่อ ร่างกายพังไปแล้วจิตวิญญาณก็อยู่ต่อแลผู้ที่มีผลกระทบต่อจิตวิญญาณนี้ไม่ใช่ความเป็นความตายของร่างกายไม่ได้เป็นการเจริญหรือเสื่อมของโลกนี้ผู้ที่มีอิทธิพลที่มีผลส่งผลให้กระทบกับจิตวิญญาณคือกฎแห่งกรรมนี้นั่นเองคือการกระทํา ทำบุญหรือทำบาปนี้เองและผู้ที่กระทำบุญทำบาปนี้ก็คือจิตวิญญาณนี้เองไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของการทำบุญทำบาปเช่นเวลาเราจับนักจับผู้ร้ายที่ฆ่าคนด้วยมีดไปเขาไม่เอามีดไปลงโทษใช่ไหม เพราะมีดเป็นเพียงเครื่องมือไม่ได้เป็นผู้ที่ไปกระทาไปฆ่าผู้อื่นเแ้าจับคนที่ฆ่าเนี่ยคนที่ใช้มีดนั่นไปลงโทษฉันใดร่่งกายนี้ก็เป็นมีดที่่างที่จิตใจใช้เป็นเครื่องมือไปฆ่าคนาไปทาบาปหรือไปทาบุญดังนั้นกฎแห่งกรรมนี้จะไม่เอาโทษ ที่ร่างกายไม่จับร่างกายมาลงโทษเนี่ยกดแหงกรรมนี้จะจับจิตใจหรือจิตสวิญญานนี้มาลงโทษเนี่ย น, ยนยถ้าทำความดีก็ได้รับรางวัลส่งไปสวรรค์ถ้าทำบาปก็จับไปลงโทษไปติดคุกไปเกิดในอบาย ไปเป็นสัตว์เดรอาฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปอยู่ในนรกนี่คือความจริงที่เราสามารถที่จะเห็นได้ถ้าเราเบื้องต้นต้องมีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อเราปฏิเสธว่าโอ้ยเรื่องที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สอนนี่เป็นเรื่องโกหกหลอกลวงเรื่องงมงาย ถ้าไม่เชื่อปั๊บก็ไม่ก็จะไม่ไปพิสูจน์เนี่ยโดถ้าเชื่อแล้วไม่ไปพิสูจน์มันก็ไม่เห็นเหมือนกันชาวพุทธเรามีเชื่อกันเยอะ<ม>เชื่อบุญ<ม>เชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์แต่ไม่ไปพิสูจน์กันยังไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จริงถึงเวลาพอมีอะไรมาล่อใจก็เลยยังกล้าทำบาปอยู่ เพราะยังไม่ได้เห็นไม่ได้รู้จริงเห็นจริงเชื่อแบบสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นศาสนาพุทธนี้ต้องการให้เราเชื่อแบบหนึ่งตาเห็นไม่ใช่สิบปากว่าต้องเชื่อด้วยการพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติแต่เบื้องต้นต้องเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่โกหกเรา พาาาระอรหันตสาวกพระอริยะบุคคลทุกคนนี่พระ ส, สุปฏิสุปฏิปันโนทุกรูปนี้ท่านไม่โกหกเราท่านไม่รู้จะโกหกเราไปทำไมท่านไม่ต้องการอะไรจากเราท่านมีของที่ดีกว่าที่เราจะให้ท่านเราให้เงินทองท่านเป็นเป็นเงินสิบล้านร้อยล้านท่านก็ไม่ได้ยินดีกับเงินเหนะ่า เพราะสิ่งที่ท่านได้ท่านมีนั้นมันมีคุณค่าราคามากกว่าเงินทองสิบล้านร้อยล้านนะท่านเลยไม่ต้องการอะไรจากเราแล้วท่านมากกหกพวกเราให้เสียเวลาทําไมท่านสู้ไปนอนไปกินไปนอนของท่านตามลําพังไม่ดีกว่านะแล้วไม่ต้องมาเสี่ยงกับการถูกเขามาจับว่าโกหกนะนะนะไม่มีหรอกเนะี่ยพระอริยบุคคลทุกลูกพระอรหันทุกลูกเนะี่ย พระพุทธเจ้าทุกองค์นี่ไม่มีใครคิดจะมาโกหกพวกเราให้เสียเวลาเพราะท่านไม่ได้อะไรจากการโกหกนะโกหกไปเพื่ออะไรเพื่อความสนุกเนะเหมือนเด็กเลี้ยงแกะอย่างนี้แหะท่านไม่ได้เป็นเหล็กเด็กเลี้ยงแกะท่านไม่ได้ไปหาความสุขจากการโกหกคนอื่นนะท่านมีความเมตตาสงสารท่านไม่ต้องการที่จะทําให้คนอื่นเสียหายเดือดร้อน ถ้าท่านจะมาโกหกทำไมให้เสียเวลาเปล่าๆนี่คือสิ่งเราที่เราต้องเชื่อต้องเชื่อเครดิตของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้ถ้าเป็นบัตรแบบัตรเครดิตก็ไปเบิกได้กดตู้เอทเอมได้กดแล้วเงินมีเงินออกมารูดบัตรก็มีเงินจ่ายให้เชื่อแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่รู้ว่าเราไม่ถูกหรอก พอเราเชื่อแบบนี้แล้วว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงทำบุญแล้วไปสวรรค์ทำบาปแล้วไปนรกเถ้าตายไปถ้ายังมีกิเลสก็ยังกลับไปเวียนว่ายตายเกิดต่อถ้าชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจก็จะไปนิพพานกันให้เชื่อ แล้ ว, วิธีที่จะพิสูจน์ทำให้เราเห็นความจริงเหล่านี้ก็คือต้องไปปฏิบัติธรรมกันอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมก็ต้องปฏิบัติธรรมถ้าไปปฏิบัติอย่างอื่นก็จะเห็นอย่างอื่นไปปฏิบัติการหาเงินมันก็จะได้เงินปฏิบัติธรรมมันก็จะได้ธรรมได้ความจริง เราต้องถ้าเราอยากจะรู้ความจริงที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนำมาสอนมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราพวกเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมกันไปเปิดตาทิพกันตาทิพตอนนี้ถูกโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้นี้ปิดบังเอาไว้ ซึ่งการปฏิบัติธรรมนี้จะสามารถเบิกเอาสิ่งที่ปิดตาในนี้ให้ออกไปได้ปิดตาทิพย์ให้ออกไปได้ด้วยการปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาการปฏิบัติธรรมนี่แหละจะเป็นการพิสูจน์ความจริงที่พระเจ้าทรงนำมามาสอนพวกเรา ว่ามีจริงหรือไม่เนียพระพูดที่เปิดตานายได้แล้วไม่มีใครมามามาปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยไม่มีใครมาคัดค้านว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทำบุญแล้วไม่ได้ไปสวรรค์ทำบาปแล้วไม่ได้ไปนรกนี่ไม่มีไม่มีทุกทุกรูปทุกทุกองพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าทุกองค์ ตั้งแต่พระโสดาบัานขึ้นไปเนี่ยพูดเหมือนกันหมดทุกคนถึงแม้จะไม่เคยเจอกันไม่เคยเห็นกันลองไปศึกษาคำสอนของครูบาอาจารย์ต่างๆท่านไม่ได้อยู่สำนักเดียวกันท่านอยู่ต่างอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละวัดไม่ได้เคยพบปะกันอาจารย์ก็คนละคนกันแต่เวลาท่านสอนทำไมสอนเหมือนกัน พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่มาตัดสั้ในโลกนี้ก็สอนเหมือนกันหมดเนี่ยเมื่อวันมาค้าบูชาที่ผ่านมานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพ่อองค์จะนำมาสอ น, นคือหนึ่งละการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามํารละใจให้สะอาดบริสุทธ นี่คือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยเจอกันเลยนะทุกๆพระองค์นี่เพราะเกิดกันคนละยุ ค, คนละสมัยในแต่ละยุคนี้จะมีพระพุทธเจ้าขึ้นมานี่จะใช้เวลาห่างไกลกันมากหลายแสนล้านปีด้วยกันถึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาปรากฏในโลกนี้แต่พอมาปรากฏมอพบความจริง ก็สอนเหมือนกันหมดเพราะความจริงที่พบนี้มันเป็นอาการหรือโกมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามการตามเวลาเวลาจะผ่านไปกี่แสนล้านปีก็ตามก็ยังจะสอนก็ยังเป็นความจริงทำบาปก็ไปนรกทําบุญก็ไปสวรรค์ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ไปนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ที่มา ศึกษามาปฏิบัติจิตตภาวนา ม, มาเปิดตาในพอได้เปิดตาในก็เห็นเหมือนกันหมดทุกคนเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานเห็นวิธีที่จะพาให้ไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานวิธีที่จะไปนรกก็คือการกระทำบาปต่างๆนี่เองถ้าไม่อยากจะทำบาปไม่อยากจะไปนรกก็อย่าทำบาป วิธีที่จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทําบุญให้ถึงพร้อมถึงเวลาก็จะไปสวรรค์กันถ้าอยากจะไปนิพพานก็ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆกําจัดโมหะอวิชชาที่คอยหลอกล่อให้ศาสตร์โลกต้องมาติดอยู่ใน ตพบในสังสารวัฏในโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันนี่คือความจริงทุกยุคทุกสมัยเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปข่าวหน้าพระสีอ่านมาตัดสั่งก็มาเจอความจริงอันนี้ความจริงที่พวกเรากำลังพูดกันอยู่ขณะนี้คือนรกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงเหตุที่พาให้ไปนรกก็คือการทำบาป เหตุที่พาให้ไปสวรรค์ก็คือการทําบุญเหตุที่จะพาให้ไปนิพพานก็คือการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราเหล่านี้อาจจะกลับมาฟังให้คําสอนนี้ก็ได้เพราะถ้าเรายังไปไม่ถึงนิพพานเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยแล้วดีไม่ดีจังหวะคณะอาจจะมาเจอภาษีอ่านเข้าก็ได้เจอภาษีอ่านก็จะเจอคําสอนอันนี้แหละเหมือนกัน แต่จะเจอหรือไม่นี่มันไม่ใช่เป็นของง่ายนะถูกอัลตา ร, รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งอาจจะง่ายกว่าที่จะกลับมาแล้วมาเกิดมาเจอพระสีอารในข่าวน้าเพราะหนึ่งเราไม่รู้ว่าพระสีอารจะมาเกิดเมื่อไหร่แล้วจังหวะที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้จะเป็นจังหวะเดียวกับที่พระสีอารมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่มีใครรู้ เพน้นถ้าใครที่ยังเลงไปหาพระสีอานอยู่ก็ไม่ต้องไปเลงให้เสียเวลาหรอกเพราะตอนนี้ก็มีพระพุทธเจ้าของเราที่สอนคําสอนเหมือนกับพระสีอานทุกอย่างไม่แตกต่างกันเลยอย่าไปรอเอาทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่เลยเพราะรุ่นใหม่อีกกี่รุ่นมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกับรุ่นนี้แหละ <c oughs> มันก็โทรสรัพท์ติดต่อกันได้มันก็เข้าดูนูน่นดูนี่ได้เหมือนกันไม่ต้องไปรอโอ้ยมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วดีกว่าเก่าอย่างนู้นอย่างนี้ธรรมะนี้ความจริงนี้ไม่มีรุ่นมีรุ่นเดียวธรรมะที่ความจริงคือกฎแห่งกรรมเนี่ยมีรุ่นเดียวไม่มีรุ่นรุ่นสิบเอ็ดรุ่นสิบสอง เหมือนกับโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆที่ก็าผลิตออกมาเดี๋ยวเขามีรุ่นใหม่ละรุ่นสิบหมดแล้วเปลี่ยนเป็นรุ่นยี่สิบเปลี่ยนชื่อหน่อยเติมนุน่นเติมนี่หน่อยแล้วหลอกมาขายว่าเป็นของใหม่ของดีกว่าเก่ามันก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมมันก็ยังโทรติดต่อกันเหมือนเดิมถ่ายรูปก็ถ่ายได้เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรความจริง นี่มันไม่มีรุ่นความจริงนี่มันมีรุ่นเดียวเท่านั้นคือนรกสวรรค์นิพพานนี่เป็นความจริงมีรุ่นเดียวไม่ว่าจะกลับมาเกิดกี่รอบกี่ครั้งถ้าได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาก็จะได้เรียนเรื่องเดียวนี่แหละเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเรื่องนิพพานและวิธีไปนรกวิธีไปสวรรค์วิธีไปนิพพานทำอย่างไร นี่คือที่มาของคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนตามความจริงนะไม่ใช่เอาคำสอนมาสอนเพื่อให้เกิดความจริงขึ้นมาไม่ใช่นะคสอนนี้สอนตามหลักของความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ดีๆมานั่งคิด ว่ากูจะสอนอะไรดีสอนแล้วทําให้ผลมันเกิดขึ้นมาจากการกระทําตามคําสอนนี่มันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้คําสอนนี้เป็นผลสะท้อนจากความเป็นจริงเนี่ยความเป็นจริงก็คือเนี่ยมีอยู่สามอย่างเนี่ยมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานอยากจะไปไหนเลือกได้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าไม่อยากไปนรกก็ละการกระทําบาปทั้งปวงเสีย ก็ไม่ต้องไปนรกไม่มีใครอยากจะไปนรกมีใครอยากจะไปติดคุกไหมนั่นแหละหนรกก็คือคุกตารางของจิตวิญญาณนี่ไปที่ไปอยู่แล้วมีแต่ทุกข์ไม่มีความสุขไม่มีใครอยากไปมีแต่อยากไปสวรรค์สวรรค์เป็นอย่างไรก็สวรรค์ก็คือที่ท่องเที่ยวมีใครไม่อยากเที่ยวกันมางเนี่ยเที่ยวกันเนี่ย เที่ยวยันจะต้องต้องหยุดเที่ยวเพราะกลัวโรคทั้งนั้นเองตอนนี้ไม่กล้าเที่ยวเพราะกลัวโรคเดี๋ยวพอไม่มีโรคระบาดเดี๋ยวก็เที่ยวกันอีกอะพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเนยพวกเราชอบเที่ยวกันท่านเลยบอกให้สร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยทําบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์ได้ไปท่องเที่ยวกันในโลกในจิตวิญญาณในโลกทิพย์กันแล้วถ้าเบือ่อ เดียวแล้วเนี๋ยวต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ไม่อยากจะมาแก่มาเจ็บมาตายก็สอนให้ไปนิพพานด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ละความโลภความโกรธความหลงลบละโมหะอวิชชาที่เป็นตัวที่หลอกให้เรามากลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆเนอนี่ เออคือเรื่องของความจริงที่พวกเราต้องเชื่อกันถึงแม้ว่าเรายัางมองไม่เห็นแต่รับประกันได้ว่าเชื่อแล้วจะไม่ผิดหวังถ้าเป็นหมอบอกเลขก็รับประกันได้ว่าวดนี้ออกเลขนี้มันต้องออกแน่ๆแทงไปได้เลยมีหมดหน้าตากักแทงลงไปเลยรับรองได้ว่าไม่ขาดทุนไม่แจ้งไม่ล่มจมไม่ผิดหวัง แทงเท่าไหร่ได้เท่านั้ น, เ, นเพราะว่าเป็นของจริงร้อยเปอร์ซนตนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อได้ร้อยเปอร์ซ็นต์ทั้งๆ ท, ท, ที่เรายังไม่มองไม่เห็นยังไม่เห็นกับตาเราถ้าเราไม่เชื่อเราจะไม่กล้าลงทุนใช่ไหมกล้าอาจจะแทงกักเอาเอ า, านหน่อยเผื่อไว้อีหน่อยเก็บเอาไว้เผื่อไม่ถูกจะได้ไม่ถูกหลอกเลย ไม่ต้องนะการจะเชื่อพุทธเจ้านี้ต้องทุ่มทั้งหมดเลยต้องเทให้หมดหน้าตักเลยถ้าอยากจ ะ, จะได้รางวัลที่หนึ่งอยากจะได้เป็นมหาเศรษฐีเริ่มรวยที่แบบไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยต้องมีเท่าไหร่ต้องทุ่มลงไปให้หมดเลยคือต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พระสาวกทั้งหลายท่านทำกันเนี่ย ท่านเหล่านี้ถ้าไม่แบ่งทางกั๊กไว้ว่าครึ่งหนึ่งขอ เ, อเก็บไว้ให้เมียกับลูกภรรยากับสามีอีกครึ่งหนึ่งไปบวชไม่มีหรอกบวชแบบบวชแบบไปแล้วกลับมาเสกนี่มันไปไม่ถึงเนบวชสามเดือนแล้วกลับมาหาลูกหาครอบครัวนี้ไปไม่ถึงนิพพานถ้าอยากจะไปนิพพานนี้ต้องแบบทุบหม้อแกงไปเลยเหมือนสมัยพระเจ้าตากสินนี่เวลาทาสงครามกับพมา่าท่านบอกว่า บอกให้ใหทหารทุบหม้อแกงหม้อข้าวเลยไม่ต้องกลับมากินนะถ้าไม่ชนะก็ตายอย่างเดียวมันถึงจะทุ่มอย่างสุดสุดจะได้สู้อย่างสุดสุดถ้ามีช่องให้ถอยหลังเดี๋ยวมันจะถอยกันไม่ใช่อะไรถ้าจะไปบวชแล้วก็อยากกลับมาเลยวิธีไม่กลับก็คือยกอะไรทั้งหมดให้คนอื่นเข้าไปให้หมด มีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองกี่ร้อยล้านพันล้านก็ยกให้คนอื่นไปให้หมดให้ลูกให้เมียให้อะไรไปเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ท่านเป็นตัวอย่างของนักรบเนี่ยผู้ที่ทุบหม้อแกงของตนหม้อข้าวของตนพอเข้าสู่สนามรบแล้วไม่มีวันถอย ไม่กลับมาหาหมอ้อข้าวหมอ้อแกงแล้วไปหาหมอ้อข้าวหมอ้อแกงหมอ้อใหม่ดีกว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วทีนี้ได้หมอ้อข้าวหมอ้อแกงที่เลิศที่วิเศษกับหม้อเก่าถ้ายังแทงกักไว้อยู่เดี๋ยวพอเจอความทุกข์ยากลําบากหน่อยยกธงขาวแลวขอกลับแล กายเป็นชายสามโบสถ์ไปบวถแล้วก็ศึกพอไปบวชได้สักพักหนึ่งชอเจอความทุกข์ยากลำบากก็ยกทงขาวคิดถึงชีวิตของคารวาสก็ศึกกลับมาพออยู่เป็นคารวาสสักพักก็เบื่อก็อยากจะโบวถอีกเงียมันก็ชักเข้าชักออกเนี่ยถ้าเป็นชายสามโบสแล้วก็แสดงว่าใจไม่แน่วแน่ใจยังโลเลอยู่ ผู้หญิงถ้าจะไปเจอชายสามบทก็อย่าไปเอามาเป็นแฟนเดี๋ยวจะต้องผิดหวังเป็นคนที่เปลี่ยนใจได้ง่ายพอเจอความทุกข์สัหน่อยก็ไม่เอาละไม่อดทนไม่สู้ต้องเอาชายบทเดียวแต่ชายบทเดียวเขาก็ไม่สึกก็ <laughs> <laughs> ต้องบวชตามเขาทั้งนั้น ในเคิวิธีที่เราจะพิสูจน์ความจริงของพระพุทธเจ้าคือเราต้องเชื่อเชื่อก่อนเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทมที่ทรงสั่งสอนนี่เป็นความจริงทุกประการถ้าเราพิสูจน์ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติแล้วเราจะเห็นได้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แล้วหลังจากที่เราเห็นแล้วทีนี้เราไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแนะ้วไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่านารกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่านิพานมีจริงหรือเปล่าไม่ต้องเชื่อเพราะเห็นกับตาแล้วว่ามันมีไปถามให้มันเสียเวลาทําไมเมื่อตอนที่ยังไม่เห็นเนี่ยต้องคอยถามอยู่เลยมีแน่นะมีแน่นะสวรรค์มีแน่นะ น, นะ ร, น, นะนรกมีแน่นะนิพานมีแน่นะเพราะยังไม่เห็นเนี่ยแต่พอเห็นแล้วนี่ไม่สงสัยแล้วไม่มีการถาม ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอีกต่อไปไม่ต้องเชื่อพระธรรมคำสอนไม่ต้องเชื่อพระอริยสงสาวกเพราะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพระสาวกได้ได้เห็นกันอย่างเต็มร้อยเลยนี่แหละคือสนี่คือศรัทธาความเชื่อทางพุทธศาสนาไม่ได้เชื่อแบบงมงายไม่ให้เชื่อแบบกระต่ายตื่นตูม เชื่อแบบสามวันดีสี่วันไข่พอเขาเฮว่าอาจารย์นี้ดีอย่างนู้น่านี้ก็เฮโลกันไปเดี๋ยวไม่กี่วันอาจารย์นั้นเสกไปซะแล้วเปลี่ยนงินใหม่เออนี่เป็นเชื่อแบบอ่ง ม, มงายเชื่อตามเขาเรียกมงคลตื่นข่าววัดนี้โอ้ยแทงหวยดีถูกลอตเตอรี่แห่กันไปพ อ, อไปทางแล้วเจ๊งก็เดี๋ยวก็ถอยกลับมาเอ อันนี้ต้องพิสูจน์อย่าไปเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบไปพิสูจน์ก่อนอย่าไปเชื่อแบบเชื่อร0อยเปอร์เซ็นตแล้วเดี๋ยวเกิดมันไม่เป็นจริงแล้วจะผิดหวังบันทีต่อไปก็ไม่อยากจะเข้าวัดไม่อยากจะไปนับถือพระรูปนั้นรูปนี้เลยเพราะถูกพระรูปหนึ่งหลอกไปนีต่อไปก็ไม่อยากจะไปเชื่อใครแล้วถ้าเชื่อแบบงม ง, งายมันจะเป็นอย่างนี้ แต่เชื่อด้วยเหตุด้วยผลอาจารย์รูปนี้สอนอย่างง้นอย่างนี้เอาเออกไปพิสูจน์ดูว่าอย่างน้อยเราก็เปรียบเทียบได้ว่าอาจารย์รูปนี้สอนตามเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงสอนหรือเปล่าสอนให้ละการทําบาปหรือเปล่าสอนให้ทําบุญหรือเปล่าสอนให้ชําระใจให้สะอาดหรือเปล่าดูสามข้อนี้ถ้าไม่สอนสามข้อนี้ก็เริ่มสงสัยไดนะ้แล้ว ถ้าสอนให้ไปบูชานู่นบูชานี่ไปไหว้เจ้าไหว้ผีนี่แสดงว่าเริ่ม ไ, ไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะสอนให้ไปเปลี่ยนชื่อสอนให้ไปเปลี่ยนทรงผมสอนใหไนนน้ไปอาบน้ำน้ำมนต์ไปอาบน้ํามนต์สอนให้ไปอห้อยนู่นห้อยนี่อะไรพวกนี้ไม่มีเนี่ยกรรมสอนของพระพุทธเจ้านะ สายสงสายศิลไม่มีนะในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าว่าให้เอาสายศิลมาผูกกับมือให้ไปเอาพระเลี่ยมทองมาห้อยคอไม่ได้สอนสิ่งเหล่านี้ไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในคำสอนของพระอริยบุคคลทั้งหลาย มีแต่สอนให้ปฏิบัติอย่างเดียวให้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอันนี้แหละเป็นตัวที่เราจะไปวัดถ้าเราอยากวัดความจริงของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราไปศึกษาด้วยว่าท่านสอนอย่างนี้หรือเปล่าถ้าท่านไม่สอนอย่างนี้สอนให้เราเออ ทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่ไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เริ่มสงสัยได้แล้วว่าจริงหรือไม่เนี่ยถ้าไม่ตรงกับคําสอนนี้มักจะไม่จริงเนต้องต้องใช้เหตุผลในการเชื่อแต่พระส่วนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เชื่อได้เพราะว่าได้มีการพิสูจน์รับรองมาจากพระอาหารหันตสาวก ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้มีพระอาหารหันตสาวกนี้รับรองคําสอนของพระพุทธเจ้ามาอยู่ทุกยุคทุกสมัยจนเราสามารถเชื่อได้ว่าเป็นคําสอนที่เป็นความจริงแต่ยังไม่พอเชื่ออย่างเดียวยังไม่พอ เพราะการเชื่ออย่างเดียวยังไม่ทําให้เรามีดวงตาเห็นธรรมทาให้เราเห็นแบบที่เราจะได้ไม่ต้องไปเชื่ออีกต่อไปตอนนี้ยังต้องเชื่ออยู่เพราะเรายังตามืดบอดอยู่เหมือนคนตาบอดยังต้องเชื่อคนตาดีนําทางคนตาดีบอกให้เดินไปทางนี้ทางนี้นะระวังตรงนั้นมีหลุมตรงนี้มีบอ่อตรงนั้นมีเสามีต้นไม้เอต้องเชื่อคนตาดีก่อนแล้วก็เดินไป เดี๋ยวพอไปถึงจุดหมายปลายทางก็จะปลอดภัยตอนนี้เรายังตาไม่เห็นเองต้องอาศัยตาของพระพุทธเจ้าตาของพระธรรมตาของพระสงฆ์เป็นผู้นาทางไปก่อนท่านสอนให้เราหมั่นทาบุญกันมีเงินมีทองอย่าเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปเดิมไปซื้อของฟุ่มเฟือย เป็นเพราะของพวกนี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมันเป็นเหมือนยาเสพติดเที่ยวแล้วก็ติดพอไม่เที่ยวก็จะทุกข์ซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วก็จะติดพอไม่มีเงินซื้อของฟุ่มเฟือยก็จะทุกข์แล้วก็อาจจะบังคับให้ไปทำบาปเพราะยังอยากเที่ยวยังอยากซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่พอเงินหมดเงินไม่พอใช้ก็อาจจะไปทาบาปกันหมมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เรื่อยไหม คนไปทำบาปไปป้นร้านทองมั่งไปทำอะไรบ้างก็เพราะจ้าเงินไปเที่ยวกันเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันพอเงินไม่พอก็เลยต้องไปป้นร้านทองมั่งไปจี้คนนั่นจี้คนนี้อันนี้อันตรายอย่าใช้เงินแบบนี้ถ้าอยากจะใช้เงินแบบให้เกิดประโยชน์มีความสุขทั้งปัจจุบันรัดตายไปได้ไปสวรรค์ก็เอาไปทำบุญดีกว่า ให้ทําบุญแล้วก็อย่าทําถ้าทําบุญแล้วการจะไปทําบาสนี่ยากเพราะการทําบุญนี่ไม่ติดเหมือนยาเสพติดเวลาไม่มีเงินทําบุญจะไม่คิดจะไปขโมยเงินคนมาทําบุญเวลาไม่มีไม่มีเงินทําบุญก็ไม่เดือดร้อนคิดถึงบุญเก่าก็มีความสุขได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไป ขโมยเงินไปป้นไปที่เพื่อเอาเงินมาทำบุญแล้วเราก็จะได้มีความสุขไม่มีความทุกข์ใจแล้วถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมไปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์การปฏิบัติธรรมนี้ได้หลายประโยชน์หลายอย่างประโยชน์ อย่างหนึ่งที่เราจะได้ก็คือมีดวงตาเห็นธรรมนะเราจะได้หายสงสัยอย่าง100ร้อยเปอร์เซนเลยว่านาลกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่อันนี้จะเห็นได้จากการภาวนาแล้วก็จะทำให้จิตใจของเรานี้ะสะอาดบริสุทธ กำจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆตัวที่เป็นเหตุที่ดึงจิตของเราให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆจิตของเราก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปจิตของเราก็จะอยู่ที่นิพพานหรือเป็นนิพพานเป็นบรมมาสุขมีความสุขเต็มร้อยตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีช่วงไหนเวลาใดที่ความสุข ใ จ, ใจจะหายไปมีอยู่ตลอดเวลาแล้วจะทำให้เราทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ต่อไปเมื่อเราได้เห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้เห็นแล้วเราก็สามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าแทนพระสาวกได้เราก็จะสามารถช่วยเหลือญาติพี่น้องของเรา ให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกับเราได้เพราะไม่มีใครจะเชื่อเราง่ายยิ่งกว่าพ่อแม่พี่น้องของเราเพราะว่าเขารู้จักเราเขารู้ว่าเราไม่โกหกไม่มาหลอกลวงเขาพอเขาเห็นเราได้เดบบได้ดีเขาก็อยากมีศรัทธาอยากจะได้เดบบได้ดีเหมือนเราเขาก็จะขอศึกษาขอปฏิบัติตามเรานั่นเองดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพอใจทรงบรรลุ บลุพ้นแล้วพอไปสอนพญาติทั้งหลายก็เกิดมีศรัทธาขอบวชกันเยอะแยะไปหมดแม่เลี้ยงก็ขอบวชญาติพี่น้องเจ้าชายห้ารูปที่เป็นลูกพี่ลูกน้องก็ขอบวชตามลูกก็บวชจับลูกไปบวชเป็นเนนพ่อไม่ได้บวชแต่พ่อก็สนใจปฏิบัติธรรมฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็เจ็ดวันก่อนตาย บันดาญาตพี่น้องที่เรารักเรานับถือเคารพนีจะได้รับประโยชน์จากเราเพราะเราจะช่วยเขาได้ดีกว่าคนอื่นเพราะว่าเขารู้จักเราเขาสนิทกับเราเขาอยากจะรู้อยากจะถามอะไรเขาก็ถามเราได้อย่างไม่ต้องเกรงใจถ้าเป็นพระรูปอื่นเขาอาจจะไม่กล้าถามเพราะเกรงใจเพราะไม่รู้ว่าควรหรือไม่ควรจะถามกลัวบาปกัน ก็เลยไม่กล้าถามก็เลยไม่รู้เรื่องของความจริงว่าเป็นอย่างไรแต่พอเป็นญาติกันนี้เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันนี่ก็สามารถที่จะถามกันได้อย่างสบายใจก็จะรู้สึกว่าการเรียนธรร ม, มานี่ไม่ใช่เป็นของยากยากเย็นแต่อย่างใดแล้วพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถปฏิบัติได้ เพราะทุกคนนี้มีความรู้มีความสามารถเหมือนกันสานกันตรงที่ไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกตั้งว่าปฏิบัติกันอย่างไรเท่านั้นเองพอรู้จักวิธีแล้วมันก็ไม่ยากน้าการก็ทำบาปก็ง่ายถือศีหน้าศีแปดไปทำบุญไปมีง้าของเงินทองก็ทำบุญไปภาวนาก็ไปหาเวลาหาที่สงบสงดวิเวก จเจริญสติจเจริญกรรมฐานไปเดี๋ยวจิตก็สงบปัญญาก็พิจารณาตายรับพิจารณาอริยาาสัจสี่ไปพอพิจารณาไปเดี๋ยวก็ดวงท่าเห็นธรรมก็ปรากฏขึ้นมาบรรลุธรรมขั้นต่างๆเป็นภาษาวกขั้นต่างๆขึ้นมา หลุดพน้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพน้นจากนรกหลุดพน้นจากสวรรค์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในนรกในสวรรค์อีกต่อไปนี่นแหละคือศรัทธาทางพุทธศาสนาไม่ใช่ให้เชื่อเฉย ๆ, ๆเชื่อแล้วก็จบเจาะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปมีจริงบาปทําบาปแล้วไปอาบายไปนรก แต่พอถึงเวลาจริงๆพอจะทําบาปขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้ทั้งๆที่เชื่อว่าบาปไม่จริงแต่เวลามันหิวมันอยากขึ้นมานี่บาปมันก็ไม่กลัวนรกมันก็ไม่กลัวเวลามันโกรธขึ้นมามันไม่กลัวอะไรใช่ไหมดูคนโกรธนั้นเป็นอย่างมันบ้าไหมเป็นคนบ้าข้า่งเลยถึงแม้ว่าจะเป็นชาวพุทธเคยเข้าวัดเคยได้ยินได้ฟังเรื่องการทําบาปจะไปนรกก็ตามแต่พอถูก ความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจแล้วลืมไปหมดเลยคำสั่งคำสอนต่างๆจึงเชื่ออย่างเดียวไม่ได้อย่าไว้ใจความเชื่อมันจะไม่ได้มันจะไม่สามารถยับยั้งการกระทำบาปของเราได้มันจะไม่ทำให้เราได้ทาบุญอยู่เรื่อยๆ เ, เราต้องทำเราต้องปฏิบัติเราต้องรักษาศีล เราต้องทำบุญไม่ใช่เชื่อเฉยๆเชื่อแล้วต้องทำชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วทีนี้ผลมันจะทำให้เรานี้ออสามารถเชื่อและทำได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตบาปจะไม่ทำโดยเด็ดขาดจะทำแต่บุญใจก็จะชำระให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละเราจะได้รับประโยชน์การจากการเชื่อแบบนี้ เชื่อเพื่อสู่นําไปสู่การปฏิบัติต่อไปอย่าเชื่อเฉยเฉยเชื่อเฉยเฉยแล้วยังไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังไม่พ้นจากกบายถ้าเชื่อเฉยเฉยต้องเชื่อแล้วนําำไปปฏิบัติแล้วทีนี้จะจะได้ผลจะหลุดพ้นจากกบาย จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในตาภพจะได้นิพพานังปรมังสุขขังได้ความสุขอันประเสริฐของพระนิพพานนี่คือเรื่องราวของศรัทธาความเชื่อที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 ดันโฑปันนาราโสยธามณีโชติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวัชฉันโตสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อะพิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจัตารุธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม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 รับฟังข้างบนนี้หกสิบคนรวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยย่สิบสามครับถามได้คำถามจากข้างบนนี้นะครับการสวดมนต์ถือว่าเป็นการสร้างสติโยมขอถามว่าการสร้างสติที่มีผลมากที่สุดและรองลงมาคืออะไรเจ้าคะ่ะมันก็แล้วแต่ว่ากำลังของเรามีขนาดไหนถ้าสูงสุดก็คือดูลมหายใจเขาออก แต่การจะดูลมหายใจเขาต้องดูในขณะที่เรานั่งเฉยๆยแต่ถ้าเราไม่ได้นั่งเฉยๆเราทำอะไรต่างๆก็มีใช้พุโทโธไปหรือถ้าเราจะเฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ได้กำลังล้างหน้าแปรงฟันก็ให้มันล้างหน้าแปรงฟันไปกับร่างกายอย่าให้มันไปคิดเรื่องอื่น หรือใช้พุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปสวดมนต์นี่ก็ จ, จะเหมาะตอนที่เรานั่งนั่งแล้วเราก็สวดมนต์ไปภายในใจถ้าเรายังดูลมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนแล้วถ้าบางวันสวดมนต์แต่ไม่ได้นั่งสมาธิต่อแล้ววันอื่นนั่งสมาธิจะได้หรือไม่เจ้าคะ่ะได้ก็ลองดูวันอื่นจะนั่งสมาธิถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องสวดไปก่อนนี่นี้ เราะวาสติมันยังล้มนุกคุกลานอยู่ยเห็น่าต้องพยายามฝึกสติให้มากๆให้มันยืนได้ให้มันเดินได้ก่อนแล้วเราค่อยเอามาใชในการดูลมหรือพุทโธต่อไปคำถามจากคุณวิจัยถ้าเราภาวนาเป็นเมื่อเราตายไปแล้วอยู่ในภพสุกติเราจะสามารถภาวนาต่อไปได้เรื่อยๆหรือไม่ครับ ไม่หรอกว่าเวลาอยู่ในภพต่างๆนี้เป็นเวลาที่เราไปรับผลจากการกระทาของเรา เ, ออเข้าฌานแล้วมันก็จะไปเกิดในพรหมโลกนี้มันก็จะไม่ได้ทาสติไม่ได้เจริญอะไรมันก็จะอยู่กับความสงบไปจนกว่ากำลังของฌานหมดลงมันก็จะเลื่อนกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถึงมาปฏิบัติใหม่ต่อได้ คำถามจากคุณไอซ์เบอรี่คำว่าศีลพัฒนาปรามาตหมายความว่าอย่างไรเช้าค่ะคำนั้นลูกคำไงรูกคําศีลเออคือยังไม่มั่นใจว่ารักษาศีลแล้วจะได้อะไรอถูกหลอกถูกโกหกหรือเปล่ารักษาศีลแล้วพูดโกหกไม่ได้ขายของไม่ดีสู้โกหกแล้วขายของดีกว่าก็อาจจะไม่รักษาศีลก็ได้ แต่ถ้ารู้ว่ารักษาศีลแล้วจะส่งจิตให้ไปอบายไปติดคุกในนรกในอบายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานออมันก็จะไม่กล้าทำไม่กล้าทำบาปจะรักษาศีลอย่งกว่าชีวิตแล้วถ้าหากว่าเรา เจ้ล่วงศิลัตระปรามาตทั้งเจตนาหรือไม่เจตนามีโทษอย่างไรเจ้าค่ะทํำบาปถ้าทํำบาปมีเจตนาก็มีโทษไม่มีเจตนาก็ไม่มีโทษคําถามจากคุณจินคอฟพระอาราหันต์ไม่ฝันแล้วหรือครับไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยไต้องมารู้ทำไมท่านฝันหรือไม่ฝันนะคํ <c oughs> าถามจากคุณสุรศักดิ์ จิตยังมีความกลัวอยู่ครับเราจะมีพิธีการอย่างไรที่จะให้จิตลดความกลัวและความวิตกครับก็ต้องคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าไม่ว่าจะกลัวอะไรเหนียวไหนก็ต้องตายอยู่ดีคิดถึงความตายว่าร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ต่ อ, อไปจิตพอมันยอมรับความตายแล้วมันก็ไม่กลัวอะไรเพราะอย่างมากสิ่งที่กลัวก็ทำได้ก็คือทาให้มันตายให้ร่างกายตายท่านนอ้ อ, อ ا, ถ้าไม่กลัวความตายของร่างกายแล้วมันก็ไม่กลัวอะไรคำถามจากคุณสุปราณี <c oughs> การถือศีลแปดสามารถเปิดเพลงบทสวดมนต์ธรรมะได้ไหมครับ เพลงนี้มันเป็นดาบสองคมนะอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเดี๋ยวฟังเพลงสวดมนต์เสร็จแล้วมันก็ฟังเพลงอย่างอื่นก็มันก็เหมือนกับสวดมนต์มันก็ได้นะเดี๋ยมันก็หลอกให้ไปฟังเพลงอย่างอื่นแทนฟังเพลงสวดมนต์อยู่งั้นอย่าไปฟังดีกว่าสวดฟังสวดดีกว่าอย่าไปฟังเพลงสวดทำไมต้องเป็นเพลงด้วยวะเพาฟังสวดเฉยๆมันเป็นยังไงฟังไม่ได้เลย ส่วดอิติปิโสภะกวาหลังสมาต้องมาแต่งปเป็นเพลงอิติปิโสภะวาหมวมัน <laughs> ยุ่งยากยใช่ไหมใช่ไมเนยแสดงว่ายังอยากจะฟังเพลงอยู่นะพวกที่ใช้อธรรมะมาเป็นเป็นอะไรเป็นข้ออ้างนัแต่ความจริงอยากจะฟังเพลงมาฟังเพลงอย่างอื่นไม่ได้ก็ฟังเพลงธรรมะทีมม่กอ คำถามจากผู้ฝากถามครับจิตกับจิตใต้สำนึกอันเดียวกันไหมครับคือจิตเป็นตัวรู้รู้จิตใต้สำนึกก็คือสิ่งที่เราจดจำไว้ที่มันอยู่ที่มันอยู่ภายใต้จิตสำนึกคือใต้สำนึกก็คือใต้สติไงเวลาเราตื่นนี่มันมีสติเรื่องอยู่ใต้สำนึกมันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้ แต่เวลาเรานอนหลับนี่สิ่งที่อยู่ใต้สำนึกพอสติเราไม่มีมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นความฝันต่างๆ <c oughs> คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วทำไมถึงสามารถไปฟังธทรรมกับหลวงปู่มั่นได้ครับมันก็มีจิตใจเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานช้างวัวควายมันก็มีจิตมีใจเพียงแต่มันจะฟังภาษา ของคนได้หรือเปล่าแต่ถ้าหลวงปู่มันแสดงภาษาภาษาใจมันก็ฟังกันได้จิตดวงวิญญาณต่างๆเขาไม่ใช่ภาษาคนภาษาฝรั่งหรือภาษาจีนเขาใช้ภาษาใจภาษาใจในเวลาเราคิดเนี่ยเราคิดเป็นภาษาอะไรคิดเป็นภาษาไทยแล้วคิดเป็นภาษาจีนมันไม่ได้เป็นจีนหรืเป็นไทยมันเป็นภาษามันเป็นภาษาใจ แล้วมันเึงเข้ามาเวลาจะมาพูดมันถึงมาแปลงเป็นภาษาที่เราได้เรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้ภาษาไทยเราก็จะพูดเป็นภาษาไทยออกมาแต่ขณะที่คิดมันไม่ได้เป็นภาษาจีนหรือภาษาไทยมันเป็นภาษาของความคิดคําถามจะคุณเป็นตาการทําสมาธิภาวนาควรจะสงบเย็นจึงจะทําได้ถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะและที่รู้สึก ร้อนยิบยับทั่วตัวต้องทำอย่างไรครับคนจะมีสติไม่ใช่คนจะให้มันสงบเย็นถ้ามันสงบเย็นแล้วก็ไม่ต้องทําสมาธิก็ได้เพราะทาสมาธิเพื่อให้มันสงบเย็นอถ้ามันไม่มันไม่มีสติมันก็จะร้อนขึ้นมาถ้าว่ามีสติมันก็จะไม่ร้อนมันก็จะเย็นได้อย่นถ้ามันร้อนก็ต้องรีบสร้างสติขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธไป อย่าไปสนใจกับความรุ่มร้อนของจิตใจเดี๋ยวมันก็หมดไปเองถ้าเรามีพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจคําถามจากคุณเพชรคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์สามารถแสดงฤทธิ์ได้หรือไม่ครับได้เพราะการมีฤทธิ์นี้ไม่ต้องเป็นพระอริยะบุคคลไม่ได้อยู่ขั้นวิปัสสนาอยู่ขั้นสมาธิการสมาธินี้พอได้อุ ป, ปจารสมาธิก็สามารถ สแสดงฤทธิต์ต่างๆได้แต่ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีธรรมะก็อาจจะใช้ไปในทางที่ผิดได้คำถามจากคุณดาถ้าเราบอกงานให้ผู้อื่นมาทำเหมือนเป็นนายหน้าแต่ไม่มีการร้องขอผลประโยชน์ใดๆและเขาได้งานนี้แล้วก็ให้เงินตอบแทนกับเราเราสามารถ รับได้ไหมครับจะผิดศีลไหมครับไม่ผิดหรอกถ้าเราไม่ได้ไปเรียกร้องเขาเขาอยากจะตอบแทนน้ำใจเราเขาให้เงินให้ข้าวให้ของเราก็รับได้ถึงแม้จะเรียกก็ได้ถ้าเราถือว่าเป็นการบริการใช่ไหอคุณจะได้งานเราจะหางานให้คุณแต่คุณจะจ่ายเราเท่าไหร่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของธุรกิจการค้าเราขายบริการเง หญิงขายบริการเขายัางเรียกค่าใช้จ่ายเลยเราขายบริการหางานให้เขาทำอย่างนี้แล้วก็เป็นการขายบริการอย่างนึ่งถ้าคุณได้งานแล้วคุณจะจ่ายเท่าไหร่ mm hmm. ก็เรียกกันได้ใช่ไหมใช่เวลาคนอยากจะไปทำงานต่างประเทศก็ต้องไปหานายหน้าใช่ไหมนายหน้าก็จะจัดหางานให้ในายหน้าก็เรียกค่าใช้จ่าย ถ้าไม่จ่ายเขาก็ไม่หาให้เพราะเขามีค่าใช้จ่ายเขาต้องใช้ในการติดต่อกับบริษัทต่างๆฉะั้นถือว่าเป็นเรื่องธุรกิจถ้าตราบใดมีการตกลงไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่ตกลงแล้วเราก็หวังจะให้เขาจ่ายเขาไม่จ่ายเราอาจจะโกรธเขาก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ตกลงเราก็อย่าไปหวังอะไรก็คิดว่าเป็นการทำบุญไปช่วยเขา ถ้าช่วยให้เขาเสร็จเขาจะไม่ขอบใจเขาจะไม่ให้อะไรเราก็ไม่สนใจอย่างนี้เราก็จะได้บุญเพราะเราทําเพื่อเอาบุญเราไม่ไทําเพื่อเอาเงินเอาทองแต่ถ้าเราต้องการเงินทองเราก็ต้องตกลงกันไว้ล่วงหน้าก่อนดีไมด่ดีต้องทําสัญญาด้วยเพราะบางทีพูดปากเปล่ามันก็ยังอาจจะอทําเป็นลืมไปได้พอได้างายก็ลืมไปว่าได้ตกลงกันไว้ยังไงาบางทีดีไมด่ดีต้องวางมัดจำก่อนจะได้ซ้ํำไป เพราะโลกมันเป็นโลกร้อยร้อยสสรพันคมค น, คนทุกคนไม่ใช่จะซื้อสัตว์สุดจริญกันทุกคนงั้นบางคนจะให้เขาซื้อสัตว์นี้ต้องบังคับด้วยการวางมัดจําไว้ก่อนเนี่ยพะเขาเสียดายเงินค่ามัดจําเดี๋ยวเขาก็ต้องจ่ายเต็มเลยคำถามจากคุณตันการดูลมหายใจกับการตามลมหายใจต่างกันอย่างไรครับ ตางที่คำว่าตามก็ดูไงแต่ความจริงก็ให้ดูลมไม่ต้องไปตามเข้าตามออกให้ดูตรงที่ปลายจมูกให้ดูอยู่ที่จุดเดียวตามแล้วมันทำให้เข้าใจผิดคิ่ว่าต้องตามลมเข้าตามลมออกเกิดตามลมก็หมายเขาให้ดูลมนั่นแหละแต่ให้ดูจุดที่จุดเดียวเพราะถ้าตามลมเข้าตามลมออกจิตจะไม่นิ่งไงจิตยังต้องเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ต้องเคลื่อนตามลม เราไม่ต้องการให้จิตเคลื่อนไหวแล้วต้องการให้จิตนิ่งแล้วก็ให้มันดูที่จุดเดียวดูที่จุดที่มันเข้าออกที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องบางบางสำนักก็สอนที่หน้าท้องดูที่หน้าท้องลมเข้าก็พองลมออกก็ยุบนะแต่ไม่ต้องว่ายุบหนอพองหนอให้รู้เฉยเฉยเพราะถ้ามีการพูดมีการว่ามันก็ยังไม่นิ่งไง คำถามจากคุณพลเป็นคนอิจฉาคนอื่นต้องพิจารณาอย่างไรครับก็พิจารณาความไม่ดีของเราเนยะ <c oughs> เรามันโง่กว่าเขาเราเขาถึงได้ดีบได้ดีกว่าเราอย่าไปพิจารณาคนอื่นพิจารณาตัวเราเองเฮ้ยทำไมเราไม่รวยเหมือนเขาเพราะเราขี้เกียจนะเฮ้ยทำไมเราไม่หล่อเหมือนเขาเ <c oughs> ก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญมาในอดีตเนะี่ย พิจารณาตัวเราเองอย่าไปพิจารณาคนอื่นเนี่ยคําถามจากคุณนาวินโลกทิพย์อยู่บนโลกใบนี้ไหมครับหรืออยู่ห่างออกไปครับโลกทิพย์มันไม่มีขนาดมันไม่มีรูปร่าง<ม>จึงไม่สามารถที่จะเอามาตรฐานของโลกนี้ไปใช้กับโลกทิพย์ได้<ม>เราใช้โลกนี้กับดาวังคารได้ดวงจันทร์ได้เพราะมันมีรูปมีร่างมีระยะทาง แต่รูปทิพย์นี่มันไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีระยะทางมันเป็นความว่างจะไปจับเอาความว่างมาวัดขนาดได้ไมว่าความว่างในโลกนี้มีขนาดเท่าไหร่เนี่ยมันไม่มีหรอกมันก็ว่างของมันไปเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องขนาดเรื่องสถานที่ให้รู้ว่ามันเป็นตัวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็แล้วกันสุขทุกข์ของเราก็อยู่ไอ้ตัวนี้แล้วตัวที่สร้างสุขสร้างทุกข์ก็ไอ้ตัวนี้ ไม่ร <c oughs> ู้เท่านี้ก็พอคำถามจากคุณตาลก่อนจะเจอเรื่องร้ายมักจะเจองูเป็นประจำเจ้าค่ะเลยสงสัยว่าลางสังห์มีอยู่จริงไหมเจ้าค่ะก็ดูว่ามันจริงทุกครั้งหรือเปล่ามเป็นเหตุบังเอิญมันไม่แน่คำถามจากคุณบานุโมทนาบุญโดยธรรมชาติของจิตตาเห็นรูปจิตคิด จิตเกิดไปในทางทิศ ท, ทางต่างๆควรระ ง, งับจิตไม่ให้คิดได้อย่างไรครับก็ใช้สติเนี่ยใช้กรรมฐานพุทธโธพุทธโธไปที่สอนให้พุทธโธก็เพื่อที่จะดึงจิตเอาไว้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสต่างๆคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามตอนนี้พ่อเลี้ยงป่วยหนักเพราะคงจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่ พ่อเลี้ยงเคยทำกับลูกไวมากมายเหลือเกินแม่โทรมาให้ลูกกลับบ้านไปเพื่อไปขออโหสิกรรมและดูใจเขาเป็นครั้งสุดท้ายจำเป็นไหมเจ้าค่ะที่ลูกจะต้องกลับและลูกสามารถทำอะไรได้บ้างขอคำชี้แนะด้วยเจ้าค่ะก็แล้วแต่เราถ้าไปแล้วสบายใจก็ไปถ้าไปแล้วเฉยๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ถ้าไปแล้วไม่สบายใจก็อย่าไป ดูที่ใจของเราก็แล้วกันคำถามจากคุณแหม่มจิตใจเบิกบานแจม่มใสตามหลักพระพุทธศาสนาที่ไม่เจือปนกิเลสเป็นอย่างไรเจ้าคะก็น้องปฏิบัติ ด, ดูสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นลองดูซิว่าเราไม่มีกิเลสแล้วเป็นยังไงเวลามีกิเลสแล้วเป็นยังไงะ เวลาโกรธกับเวลาไม่โกรธเป็นยังไงอันไหนดีกว่ากั น, นเวลาโลบแล้วกับเวลาไม่โลบอันไหนดีกว่ากันก็พิสูจน์ได้นี่ดูหนังตัวอย่างได้ไม่ต้องให้มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เรามีความโกรธหรือเปล่าไม่โกรธแล้วเวลาที่เราโกรธแล้วรู้สึกยังไงยังไงดีกว่ากั น, นคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามศินข้อที่สามข้อกาเมครอบคลุมไปถึงไหนบ้างครับ ก็หมายถึงให้มีผัวเดียวเมียเดียวนะมีคู่ครองคนเดียวซื่อสัตย์สุจริตรักกันไปจนวันตายตามหนังเนพระเอกเจอนางเอกแล้วก็แต่งงานกันแล้วหนังก็จบ น, ะ น, ะนั่นะคือสยนข้อสามคำถามจากผู้ฝากถามเกี่ยวกับเรื่องการเบิกเงิน OT ท, ที่ให้หน่วยงานจะต้องมีหลักฐานการสแกนนิ้ว เวลาเข้าออกของการมาทํางานแต่กรณีที่ไม่มีเวลาเข้าหรือเวลาออกอย่างใดดังนี้อย่างหนึ่งจะมีแบบฟอร์มให้เขียนเหตุผลนะเพื่อจะได้เงินโอทเต็มนะในบางคนเมื่อเวลามาสายก็จะขอไม่สแกนนิ้วเข้าทํางานแต่ใช้เป็นวิธีเขียนแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่เบิกเงินในจํานวนที่เต็มคําถามนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทําเบิกสงสัยและมีความ เป็นไปได้ที่คนนั้นมีเจตนาไม่สแกนนิ้วเพื่อหลบการมาสายเจ้าหน้าที่ที่ทำเบิกนั้นจะบาปไหมเจ้าค้าเพราะตอนนี้มีความไม่สบายใจครับไม่บาปเราก็ทำตามหน้าที่ขนางนี้นก็ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะมาได้มาคัดดูว่าคนที่เบิกจ่ายนี้เบิกจริงหรือบอกเบิกปลอมโกหกหรือไม่โกหก เมื่อเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ที่จะเป็นคนคัดเลือกว่าคนนี้น่าสงสัยหรือไม่น่าสงสัยก็ทำไปตามหน้าที่ขอให้เราอย่ามีอคติสงสัยแต่คนที่เราไม่ชอบนี้ส่วนที่คนที่เราชอบไม่สงสัยมันก็ไม่ถูกนะต้องสงสัยตามเหตุผลว่า เหตุผลมันน่าสงสัยหรือไม่ถ้าน่าสงสัยก็ต้องสงสัยไม่ใช่เลือกคนเลือกปฏิบัติคนนี้ฉันชอบพวกฉันไม่สงสัยคนนี้คู่ต่อสู้คู่อริของฉันสงสัยไปหมดเองอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเรียกว่ามีอคติทาหน้าที่ตรงไปตรงมาตามเหตุตามผลอย่าตามอารมณ์ตามความรู้สึก คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำไมผมถึงไม่อยากทำอะไรไปไหนอยากฟังแต่ธรรมะฟังเทศเวลาที่ทุกข์ไม่สบายใจครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นและผมควรทำอย่างไรต่อไปครับก็ลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวง <c oughs> จะทำไงก็ฟังให้มากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะมันีจะมีแต่ความสุขความทุกข์ก็จะน้อยลงไปคำถามจากผู้ฝากถามครับ การภาวนาพุโทโธที่ถูกต้องควรเพ่งให้แน่วแน่อยู่กับพุโทโธไม่ให้สังขารสัญญาเกิดขึ้นหรือสังขารสัญญาเกิดขึ้นแต่ให้ดึงกลับมาพุโทโธครับไม่ต้องสนใจสัญญาสังขารขอให้ท่องพุโทโธไปก็แล้วกันอยู่กับพุโทโธไปยาให้มันหายคำถามจากคุณเพชรปัญญาเกิดจากสัญญาธรรมกับปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมต่างกันหรือไม่อย่างไรครับ ปัญญาที่เกิดจากสัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็มาจำอันนี้ยังไม่ได้เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็น้็เลยเป็นปัญญาแบบสิบปากว่าส่วนปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนี้เหมือนกับได้ลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เขาเล่าให้ฟังก็เชื่อว่ามีจริงแต่ยังไม่เห็นกับตา พอไปปฏิบัติปั๊บลืมตาขึ้นมาเปิดตาในขึ้นมาตาในก็เห็นนรกเห็นสวรรค์ขึ้นมาทีนี้ก็ไม่สงสัยแล้วถ้าถ้าเห็นจากถ้าเป็นปัญญาที่เกิดจากสัญญาก็ยังลังเลสงสัยอยู่เอ๊ะจริงหรือเปล่าเขาโกหกเรารู้เปล่าเขาหลอกเรารู้เปล่าแต่ถ้าเห็นกับตาแล้วมันก็ไม่สงสัยะ คำถามจะคุณไกลบ้านโลกทิพย์ที่ท่านพระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้หมายถึงจิตใช่ไหมครับหมายถึงที่อยู่ของจิตทั้งหมดนะจิตทุกดวงผู้จิตของพวกเราทุกดวงนี่อยู่ในโลกทิพย์เป็นแต่ส่งกระแสมาเกาะติดกับร่างกายเลยทําให้คิดว่าเราอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองแต่ความจริงเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ร่างกายเราเป็นเหมือนยานอวากาศที่มาสํารวจโลกนี้เราอยู่ในโลกทิพย์เรา อาศัยร่างกายที่เป็นยะยานสำรวจสารวจส่งรูปเสียงกลิ่นรสไปให้กับเราที่อยู่ในโลกทิพย์แล้วเราก็สั่งว่าให้มันทำอะไรเห็นรูปที่เราชอบก็สั่งให้ไปซื้อมาน ะ, ะเห็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาชอบก็สั่งให้มันไปซื้อมาเนี่ยอันนี้เป็นการสั่งแล้วร่างกายก็ทำตามหน้าที่พอเราสั่งให้มันไปซื้อมันก็ไปซื้อมาให้เรา คำถามจากคุณทานนั่งสมาธิแล้วจิตออกจากร่างกายเข้าร่างกายไม่ได้อันนี้เป็นจริงหรือไม่ครับไม่จริงหรอกมันไม่เคยเข้าร่างกายมันไม่เคยออกร่างกายมันเพียงแต่ส่งกระแสมาเกาะส่งสัญญาณวิทยุมาสื่อสารกันเหมือนโทรศัพท์สองเครื่องมันไม่ได้เข้าไปอยู่ในเครื่องเดียวกันใช่ไหมเวลาเขาโทรศัพท์มานี่เครื่องโทรศัพท์เขาวิ่งเข้ามาในเครื่องเราหรือเปล่า ไม่ส่งไม่เข้ามาเขาเพียงแต่ส่งสัญญาณเข้ามาเวลาเราพูดกลับไปแล้วก็ส่งสัญญาณกลับไปเราไม่ได้ส่งเครื่องก็ไปในเครื่องเขานะเหตุาการคิดว่าจิตเข้าเ ข, ข้าร่างกายออกร่างกายนี้เป็นความเชื่อแบบงมงายเป็นความเชื่อแบบที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัตินะ คำถามจากคุณธัญการถ้าเราเอาเงินใส่บาตรตอนที่ใส่บาตรพระจะผิดไหมครับเรอไม่ผิดแต่พระท่านรับไม่ได้ท่านรับกับมือไม่ได้เพราะพระวินัยห้ามไว้ถ้าอยากจะให้พระต้องฝากลูกศิษย์ไว้แต่สมัยนี้มีพระสองแบบพระที่รับได้ก็มีพระท่านบอกว่าข้อ น, นี้ไม่เป็นไรยกเลิกได้เพราะว่ามันมันมันเป็นคนละยุ ค, คนละสมัย้ว สมัยนี้อจําจเป็นจะต้องมีเงินจ่ายค่ารถค่าอะไรก็เลยไม่มีลูกศิษย์ก็เลยรับแทนลูกศิษย์เองแต่อีกสํานักหนึ่งเขาก็ยังไหวไม่รับถ้าจะรับก็ต้องให้ลูกศิษย์เก็บเอาไว้อาจจะรับไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ําใจเป็นพิธีหน่อยอ่ะเขาหยิบมาให้ก็รับไว้แล้วก็ส่งไปให้ลูกศิษย์ต่อแต่ไม่ให้รับแบบพกพาเก็บไว้ในกระเป๋าในย่าม เวลาไปไหนก็เอาไปใช้เองนี่ไม่ได้แต่บางทีสมัยนี้คนอยากจะถวายกับพระจะทำยังไงบอกให้ลูกศิษย์มันก็เหมือนไม่ถังเหมือนกับไม่ได้ให้พระเอ า, อางั้นใส่ในฝาบาตรไปแล้วก็ให้ลูกศิษย์หยิบออกจากฝาบาตรไปอีทีก็เลยต้องมีการเขาเรียกอะไรว่าารูปมารวยกันบ้างเอาใจเถาหน่อยความจริงถ้าตามพระวินัยจริงๆก็ไม่ไม่ถูก ไม่ให้รับกับมือหรือของที่เกี่ยวข้องกับมือให้บอกให้เอาไว้กับลูกศิษย์แต่คนก็คิดว่าให้ลูกศิษย์แล้วเหมือนไม่ได้ให้พระก็คิดว่าให้ลูกศิษย์ไปใช้ความจริงไม่ให้ลูกศิษย์เก็บเอาไว้แล้วเวลาพระต้องการใช้อะไรก็ให้ลูกศิษย์ไปจัดมาหามาให้ถ้าลูกศิษย์เบี้ยวก็ต่อไปก็ไม่ใช้คนนี้เป็นคนเก็บเงินแต่จะไปเอาผิดก็ไม่ได้จะไปร้องร้องเอาโทษเขาไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ถือเงินทองที่ญาติโยมให้มาเป็นของพระยังให้ถือว่าเป็นของญาติโยมฝากเอาไว้ให้กับลูกศิษย์เวลาพระต้องการก็ให้ไปบอกกับลูกศิษย์ว่าต้องการใช้ของใช้ซื้อของถ้าลูกศิษย์คนคนเก็บบอกผมว่าไปใช้หมดแล้วครับหลวงพี่อย่างงี้ยก็ไม่ต้องใช้มันต่อไป <c oughs> หมนแล้วเหลอมีใครอยากจะถามอีกไหม